ตอนที่11อวางใจอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งพวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะกังวลใจที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เป็นมะเร็งนะพวกเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมันต่างกันมากระหว่างความคิดว่าฉันเป็นมะเร็งกับความคิดว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็ง ก็แสดงว่ามะเร็งเป็นทั้งหมดของเราแต่ในความเป็นจริงมะเร็งไม่ใช่เป็นทั้งหมดของเรามันเป็นแค่ส่วนเล็วนึงของตัวเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งเมื่อไรก็แปลว่ามะเร็งคือเราเราคือมะเร็งมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแต่ที่จริงเรามีอะไรอีกเยอะในชีวิตนอกจากมะเร็งขอให้แยกแยะให้ได้ว่า เราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวเราไม่ใช่เป็นมะเร็งถึงแม้เราจะพูดว่าฉันเป็นมะเร็งก็ขอให้เป็นการพูดโดยโวหารแต่ให้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมะเร็งไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่มะเร็งอาตมาอยากจะพูดถึงการทําใจในยามประสบเหตุร้ายซึ่งรวมถึงเวลาพบว่ามีมะเร็งอยู่ในตัวด้วย พุทธศาสนานั้นมองว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกหรือมีปฏิกิริยาอย่างไรกับมันสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเช่นเงินหายเจ็บป่วยตกงานอกหักอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าใจเราจะยอมทุกเพราะมัน แต่ถ้าใจเราไม่ยอมทุกเราวางจิตวางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่กระทบทรัพสมบัติหรือกระทบกายของเราเท่านั้นแต่ไม่กระเทือนไปถึงใจมันมีอีกหลายด่านกว่าจะมาถึงใจเราได้แต่ถ้าเรายอมเปิดให้ความทุกข์เข้ามาถึงใจเราก็ต้องทุกข์แน่นอนแต่ถ้าใจเราไม่ยอมเราวางใจถูกวางใจเป็น ก็ทุก์แค่ภายนอกไม่ทุกข์มาถึงใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอุบาสกคนหนึ่งชื่อนักกุลบิดาซึ่งกําลังป่วยหนะักว่าแม้กายกระสับกระสายแต่อย่าให้ใจกระสับกระสายกายทุกแต่ว่าใจไม่ทุกข์นั้นทําได้กายทุกข์ไม่ได้แปลว่าใจจะต้องทุก์ตามไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ใจทุกข์ด้วย ที่ใครๆบ่นกันว่าทุกข์ก็เพราะเหตุนี้ความทุกข์ที่แท้มันอยู่ที่ใจและใจจะทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเราวางใจอย่างไรเรามองเหตุการณ์นั้นอย่างไรถ้าเรามองว่ามะเร็งคือคำพิภากษาตัดสินประหารชีวิตเราก็หมดอาลัยตายอยากเราก็ท้อแท้แต่ถ้าเราคิดว่ามะเร็งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ เราก็ไม่ทุกข์มันเหมือนกับเวลาเราเจอแดดถ้าเราวางใจไม่เป็นใจก็ทุกข์แต่ถ้าวางใจเป็นก็ไม่ทุกข์ถึงใจมีคนนึงเล่าให้ฟังว่าบ่ายวันหนึ่งอากาศร้อนมากเขาเลยนั่งเล่นอยู่ในบ้านเปิดแอร์เต็มที่ไม่นานเขาได้ยินเสียงไตร่ตรอกดกริ่งที่หน้าบ้านให้มารับจดหมาย เขาหงุดหงิดมากเพราะไม่อยากออกไปเจอความร้อนข้างนอกเขาก็เลยนั่งอยู่เฉยๆแต่บุรุษปรษณีสรู้ว่าในบ้านมีคนอยู่เพราะมีรถจอดอยู่และประตูบ้านข้างในก็เปิดอยู่เขาก็เลยรอคนมารับจดหมายแต่เขาไม่ได้รอเปล่าๆร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งอยู่นานเลยร้องจนเจ้าของบ้านอยู่เฉยไม่ได้ต้องเดินออกมารับพอรับจดหมายเสร็จ เขาก็ถามบุรุษไพรสณี่ยว่าอากาศร้อนอย่างเนี้ยคุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอบุรุษไพรสเน่ตอบได้ดีมากเขาตอบว่าถ้าโลกร้อนแต่ใจเราเย็นมันก็เย็นครับร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึง่งส่งไปร้องไปว่าแล้วเขาก็ขับรถไปส่งจดหมายที่บ้านอื่นต่อ อากาศร้อนแต่ใจบูรุษปพรสเน่คนนี้ไม่ได้ร้อนตามไปด้วยเขารู้วิธีทาใจให้เย็นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วคนเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ถึงแม้เราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนเราไม่สามารถบงการให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ตรงนี้สำคัญมากนะเราเลือกไม่ได้ว่าชีวิตนี้จะมีแต่ลูกน้องที่ถูกใจจะมีแต่เจ้านายที่ดีๆจะมีโชคลาภเสมอๆบางครั้งเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่แม้กระนั้นเราก็เลือกได้ว่าจะวางใจอย่างไรเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะมันหรือเปล่า มีเด็กไต้หวันคนหนึ่งชื่อโจโต้ากวนอายุสิบขวบเขาเป็นมะเร็งที่ต้นขาทําเคมีบำบัดเจครั้งฉายแสง30ครั้งในที่สุดต้องผ่าขาเขาเขียนบทกวีไว้เล่มหนึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วขอให้สังเกตว่าเขาไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่ง แต่เขียนว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่งแตกต่างกันมากนะระหว่างฉันเสียขาไปข้างหนึง่งกับฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่งคนที่คิดว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งจะทุกข์มากแต่คนที่มองว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่งจะรู้สึกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่เสียขาไปทั้งสองข้างนี่เป็นการมองแง่บวก มองแง่ลบคือว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งมองแง่บวกคือว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งและฉันโชคดีที่ยังไม่เสียขาสองข้างมีตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากเขาเขียนง่ายๆแบบเด็กๆว่าวันที่19พฤษภาคม1996พพ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัดเด็กชายสงบเป็นเพื่อนบ้านฉัน เด็กหญิงวิตกเป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกเด็กชายสงบเป็นเพื่อนต่อมาอีกเดือนหนึง่งเขาเขียนว่าพ่ออุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้านฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อนต่อมาอีกหนึ่งปีฉันขี่หลังพ่อเข้าห้องผ่าตัด คุณความตายเป็นเพื่อนบ้านคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนบ้านฉันเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนคนเรามักจะกลัวและกังวลเวลาเข้าห้องผ่าตัดแต่เด็กคนนี้เลือกที่จะทำใจให้สงบและมั่นคงเมื่อเข้าห้องผ่าตัดเด็กคนนี้กำลังบอกว่าเราเลือกได้ระหว่างความสงบกับความวิตกระหว่างความมั่นคงกับความวิตกกังวล เราเลือกได้มันอยู่ที่ใจเราใจเราสําคัญมากยอมรับความจริงอย่างที่พูดไว้แล้วเมื่อประสบเหตุร้ายเราเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าวางใจให้เป็นทีนี้จะวางใจอย่างไรอย่างแรกที่ควรทำก็คือการยอมรับความจริงเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วป่วยการที่เราจะไปตีโพลตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้น ป่วยการที่จะไปโทษชะตากรรมหรือโทษคนนั้นคนนี้ยิ่งตีโพยตีภายหรือยิ่งปฏิเสธความจริงเราก็ยิ่งทุกข์แต่อะไรล่ะที่ทำให้เรายอมรับความจริงได้ยากส่วนหนึ่งก็เพราะเราหวนคิดถึงอดีตที่สวยงามเมื่อเราต้องสูญเสียอะไรสักอย่างหรือประสบกับเหตุร้ายเราจะรู้สึกแย่ทันทีเมื่อหัว น, นึกถึงตอนที่เรายังมีสิ่งนั้นหรือยังสุขสบายดี ความอาลัยความเสียดายจะทำให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้นอกจากหวนคิดถึงอดีตที่สวยงามแล้วเรายังมักกังวลกับอนาคตด้วยว่าต่อไปนี้ฉันจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลฉันบางทีก็นึกถึงภาพตัวเองตอนป่วยหนักหรือคิดไปถึงความตายนั่นเลยคิดแค่นี้ก็ทำให้ซุดแล้ว มีคนหนึ่งเดินขึ้นบันไดาสามชั้นไปหาหมอพอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเท่านี้ก็เข่าอ่อนซุดเลยกลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับที่เขาล้มซุดไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแอแต่เป็นเพราะใจที่กังวลปรุงแต่งจนเครียดทำให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้คนเราไม่สามารถยอมรับความจริงในปัจจุบันได้ก็เพราะเรามัวอะไรกับอดีต หรือกังวลกับอนาคตมีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นว่าอดีตผ่านไปแล้วอย่าไปอะไรถึงมันส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากป่วยการที่จะบน่นหรือตีโพยตีพายให้เรามาเริ่มต้นที่ปัจจุบันเราก็จะยอมรับความจริงได้มีคนหนึ่งพูดไว้น่าสนใจว่า ชีวิตเหมือนกับการเล่นไพ่บางครั้งเราจั่วไพ่ได้ใบที่ไม่ดีมาป่วยการที่จะบ่นว่าทำไมฉันได้ไพ่ใบนี้มาไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่จั่วมาได้สิ่งที่คุณควรทำก็คือเล่นไพ่ในมือให้ดีที่สุดนี่คือการยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้ว เราจึงจะสามารถคิดต่อไปได้ว่าต่อแต่นี้ไปฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรจะทำอย่างไรกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราเอาแต่บ่นว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันฉันอุตส่าห์ทำบุญให้ทานมาตลอดชีวิตทำไมถึงเป็นมะเร็งท่านมัวแต่บ่นอย่างเนี้ยเราจะไม่มีปัญญาคิดอ่านทำอะไรเลยอย่าลืมว่าคนเก่ง แม้จัวได้ไพ่ใบที่ไม่ดีเขาก็ยังสามารถเล่นจนชนะได้นั่นเพราะเขาไม่มัวบ่นว่าโชคไม่ดีในทํานองเดียวกันแม่ครัวที่มีฝีมือแม้มีเครื่องปรุงไม่ครบแต่เขาไม่เสียเวลามาโวยวายว่าทำไมถึงไม่มีเครื่องปรุงดีๆแต่เขาจะใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่นั้นให้ดีที่สุดแล้วเขาสามารถปรุงอาหารให้อร่อย และอาจอร่อยกว่าคนที่มีเครื่องปรุงครบทุกอย่างซะอีกเพราะอาหารจะอร่อยหรือไม่ไม่ได้ขึ้นกับอุปกรณ์หรือวัตถุดิบเท่านั้นแต่อยู่ที่ฝีมือด้วยแต่ถ้ามัวแต่ตีโพยตีพายใจเราก็ทุกข์พอทุกข์ปัญญาก็เลยเกิดไม่สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าเรามัวแต่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นมะเร็ง ทำไมต้องเป็นชั้นก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้และนั่นคือการสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองคือทุกข์กายไม่พอยังเอาความทุกข์ใจมาทับถมตัวเองด้วยทุกข์ใจคืออะไรก็คือการบน่นการตีโพยตีภายบางทีเราก็บ่นโวยวายบอกว่าไม่เป็นธรรมเลยมีหลายคนคิดแบบนี้ แต่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้โรภคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทําสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดทุกกายอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปทุกข์ใจเพิ่มอีกเมื่อสองเดือนที่แล้วอาตามาไปอภิปรายกับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนท่านเล่าถึงรายการหนึ่งที่ท่านประทับใจคือรายการพลเมืองเด็กของช่องทีวีไทย ในรายการนี้เขาเอาเด็กมาทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์คล้ายๆ r e a l เรียล o ิตี้โชว์มีตอนหนึ่งเขาให้เด็กสามคนขนของขึ้นรถไฟเด็กก็ต้องรีบขนเพราะว่ารถไฟมีเวลาออกที่แน่นอนแต่ว่าบ่ายวันนั้นมีการถ่ายทอดสดการชกมวยของสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิก เด็กสองคนเป็นผู้ชายอายุ 12-13 ก็ทิ้งงานไปดูสมจิตชกมวยที่ร้านกาแฟข้างสถานีปล่อยให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงขนคนเดียวพิธีกรจึงไปถามเด็กผู้หญิงว่าคิดอย่างไรกับเพื่อนอีกสองคนที่ทิ้งงานไปเธอตอบว่าเห็นใจเขาเพราะเขาอยากดูมวยนานๆเขาจะได้ดูพิธีกรก็ถามแย่ต่อไปว่า เธอไม่โกรธไม่คิดจะไปด่าว่าเด็กสองคนนี้หรือที่ทิ้งงานให้ทําคนเดียวเธอตอบน่าสนใจมากว่าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูโกรธหรือไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างเด็กคนนี้ฉลาดพอที่จะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวแต่ผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยเลือกเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมเวลาเราเจ็บเราป่วย เราเลือกป่วยอย่างเดียวหรือเลือกป่วยสองอย่างถ้าป่วยแค่กายเราทุกข์แค่อย่างเดียวแต่ถ้าเราบ่นว่าทำไมถึงป่วยหรือกังวลกับอนาคตเราก็จะป่วยสองอย่างคือป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเราควรเอาเด็กคนนี้เป็นแบบอย่างเธอฉลาดไม่มัวโมวโหที่เพื่อนทิ้งงาน ในเมื่อเธอต้องทํางานคนเดียวเธอก็ยอมรับความจริงและทํางานนี้ให้ดีที่สุดไม่มาเสียเวลาหรือเสียอารมณ์ทําให้ทุกใจเปล่าๆอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรเอาทุกข์มาทับถมตนแต่คนเรามักจะเอาทุกข์มาทับถมตนป่วยกายไม่พอยังปรุงแต่งจนป่วยใจเหนื่อยกายไม่พอ ยังเอาความโกรธมาซ้ําเติมจนป่วยใจประการต่อมาก็คือการอยู่ยังมีความสุขหมายความว่าเราควรรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัวความจริงเรามีความสุขอยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราบน่นโวยวายโศกเศร้าเสียใจกับเคราะห์กรรมกลุ้มใจที่ต้องเป็นมะเร็งที่ต้องสูญเสียคนรักหรือเพราะถูกคนโกง มันก็จะทำให้เราไม่สามารถเปิดรับความสุขที่อยู่ในปัจจุบันได้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเรามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายมาเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตอย่าให้มันมาบดบังขวางกั้นความสุขที่มีอยู่ใครที่เศร้าโศกเสียใจกับการเป็นมเร็งจะไม่สามารถสัมผัสหรือชื่นชมความสุขที่มีอยู่ได้เลย แต่ถ้าไม่มาโมวเศร้าโศกเสียใจก็สามารถเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นโรคเลือดที่สามารถทําให้ตายตั้งแต่ยังเล็กได้หมอบอกว่าเธอจะมีอายุไม่ถึง2 0ปีแต่ตอนนี้เธออายุ30สิแล้วเธอไม่รู้จักคาว่าสุขภาพดีมาตั้งแต่เกิด และก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่คนอย่างเธอน่าจะมีความทุกข์แต่เธอพูดไว้ดีมากเลือดเราอาจจะจางจะแย่หน่อยแต่เราก็ยังมีตาเอาไว้มองสิ่งที่สวยมีจมูกไว้ดมกลิ่นหอมมีปากไว้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็มีร่างกายที่ยังพอทำอะไรได้อีกหลายอย่างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุข เธอไม่มัวเสียใจทำไมฉันต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะเธอรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายให้ชื่นชมมีตาไว้มองสิ่งสวยๆงามๆ ม, มีจมูกไว้ดมดอกไม้หอมมีปากไว้กินของอร่อยๆแม้ว่านี่เป็นความสุขแบบพื้นๆแต่เราก็ไม่ควรปฏิเสธความสุขแบบนี้ เราควรเก็บเกี่ยวความสุขแบบนี้ซึ่งมีอยู่มากในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราเอาแต่เศร้าโศกเสียใจเราก็จะละเลยสิ่งเหล่านี้ไปถึงแม้จะป่วยเพราะมะเร็งแต่เรายังมีสิ่งดีๆในชีวิตเรามีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้เรามีใจที่สามารถสงบเย็นด้วยการทำสมาธิภาวนาได้ เรายังมีโอกาสดีๆที่จะเก็บเกี่ยวความสุขได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจหรือกลัดกลุ้มขอให้เปิดใจกว้างเสมอเพื่อรับความสุขเธอยังพูดน่าสนใจอีกว่าอย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองบดบังทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเวลาที่เราร้องไห้น้ำตาจะทำให้ในตาเราเลือนมองอะไรก็พร่ามัวไปหมด อันนี้ก็ตรงกับที่คนหนึ่งพูดว่าอย่าร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าน้ำตาจะทำให้เรามองไม่เห็นดวงดาวที่สวยงามดวงอาทิตย์ลับฟ้าแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าให้เราชื่นชมถ้าเรามัวแต่เสียดายดวงอาทิตย์เราจะไม่มีโอกาสรับรู้ความสวยงามของดวงดาวยามค่ำคืนทั้งหมดนี้เตือนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน แล้วเราจะพบว่ามีความสุขอีกมากมายที่รอเราอยู่การอยู่ยังมีความสุขคือการรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบันหมายถึงการชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่เราจะไปเสียใจทำไมกับเงินพันบาทที่หายไปในเมื่อเรายังมีบ้านรถและเงินในธนาคารเป็นแสนๆหรือเป็นล้านด้วยซ้ำเรายังมีพี่น้องพ่อแม่ คนรักและลูกหลานนี่เป็นสิ่งดีๆที่เราควรชื่นชมและรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเรามาเสียใจเพราะประสบเหตุร้ายเราจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าหามาเพราะความสุขมีอยู่กับเราแล้วเพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่อาตมาขอย้าว่า ความสุขมีอยู่กับเราแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่กับเราแล้วทุกขณะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่การที่เรามีตามองเห็นมีฉมูกดมกลิ่นมีลิ้นพูดได้เป็นความสุขที่คนพิการจำนวนมากไม่รู้จักคนตาบอดไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้คนหูหนวกไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้ คนบ้าก็ไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้ปัญหาคือว่าเราเห็นความสุขที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือไม่ถ้าเราเห็นก็ควรชื่นชมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากเราไม่ควรเอาทุกข์ทับถมตนแล้วก็ไม่พึงปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุข ความสุขอะไรที่เราได้มาโดยชอบทำเราควรเก็บเกี่ยวเอามาบำรุงเลี้ยงชีวิตจิตใจและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแค่ไหนขอให้ระลึกว่าเราสามารถสัมผัสความสุขได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีหัวใจยังมีลมหายใจยังมีสติปัญญาอยู่มีคนคนหนึ่งพิการหนักมากคือไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัว เป็นชาวญี่ปุ่นชื่อโอโตทาเกะเขาเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบห้าไปไหนมาไหนด้วยรถเลื่อนไฟฟ้าแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งมีตอนหนึ่งเขาเขียนว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันคนพิการก็มีสิทธิ์เป็นสุขได้เขาช่วยตัวเองได้หลายอย่างรวมทั้งเล่นบาสเกตบอลก็ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาดีไม่ให้เขาสมเพศตัวเองพ่อแม่สอนให้เขาพึ่งตัวเองและใช้สิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์เขาเปรียบเหมือนคนที่จั่วไพ่ได้ไม่ดีแต่เล่นไพ่ได้ดีมากเลยทั้งๆ ท, ที่ไพ่ในมือเขามีไม่กี่ใบที่ดีการอยู่อย่างมีความสุขได้สรุปก็คือหนึ่งต้องรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขรอบตัว 2. ชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่สำหรับข้อ3ก็คือเลือกสุขอย่าปล่อยใจให้จมทุกข์ตอนตอน้นอาตามาได้พูดถึงโจตา้ากวนเมื่อเขาเข้าห้องผ่าตัดเขาเลือกความสงบและความมั่นคงเป็นเพื่อนขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกความวิตกและความกังวลที่จริงไม่ได้เลือกด้วยซ้ำแต่ปล่อยใจให้จมปลักอยู่ในความวิตกกังวล ที่จริงเราทุกคนสามารถเลือกที่จะสงบและมั่นคงได้นั่นคือเลือกสุขไม่ปล่อยใจจมกับความทุกข์ในทีวิตจริงของคนเราต้องเจอทั้งสุขและทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราเลือกเป็นเราก็ได้ความสุขถ้าเราเลือกไม่เป็นเราก็ถล้ำเข้าไปในความทุกข์ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการยอมรับสภาพความจริงเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวความสุขจากปัจจุบันได้อาตมาอยากจะย้ำว่ายอมรับความจริงไม่ได้แปลว่ายอมจำนนมันต่างกันยอมรับความจริงคือยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วถอยหลังไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเดินหน้าอย่างไรในเมื่อเป็นมะเร็งแล้วจะปฏิเสธมันก็ไม่ควร สิ่งที่ควรทำคือจะจัดการกับมันอย่างไรยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้มีปัญหาก็ต้องแก้กันไปไม่ตีโพยตีพายและไม่งอมืองอเท้าการยอมรับความจริงก็ดีการอยู่อย่างมีความสุขก็ดีเป็นผลจากการที่เรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน คนส่วนใหญ่อยู่กับปัจจุบันไม่เป็นตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราก็จะยอมรับปัจจุบันถ้าเรายอมรับปัจจุบันเป็นแล้วเราก็สามารถหาความสุขจากปัจจุบันได้ไม่ต้องรอความสุขจากอนาคตเพราะความสุขในปัจจุบันมีอยู่แล้ว แต่ถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันก็จะไม่มีทางเห็นความสุขได้คนเรานอกจากจะไม่มีความสุขเพราะมัวอะไรอดีตหรือกังวลอนาคตแล้วยังเป็นเพราะเราชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อไรแม้ได้สิ่งดีๆมาก็ยังเป็นทุกข์มีคนหนึ่งในหมู่บ้านอาตมาแทงหวย15บาทปรากฏว่าถูกได้เงินมา600บาทเขาดีใจมากแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งแทงเบอร์เดียวกันแต่เขาแทงมากกว่าเลยได้มา 2,000 บาทพอรู้ว่าเพื่อนได้สอง0บาทเท่านั้นแหละแกซึมไปเลย คงคล้ายๆกับข้าราชการที่พอรู้ว่าได้เลื่อนหนึ่งขั้นก็ดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนได้สองขั้นก็เศร้าเลยถึงแม้คุณจะได้โชคลาภมาเท่าไรก็ตามแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาคุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้น้อยกว่ามีเรื่องหนึ่งให้ข้อคิดที่ดีมากคนเล่าเป็นนักเล่นหุ้น วันหนึ่งเขาพบคุณป้าผู้หนึ่งที่ตลาดหุ้นคุณป้าคนนี้เล่าว่าเมื่อสองวันก่อนขายหุ้นไปได้กําไรสิบล้านบาทเขาก็เลยพูดว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าเลยตอบว่ายินดีอะไรล่ะถ้าฉันขายวันเนี้ยฉันก็ได้กําไรแล้วยี่สิบล้านวันรุ่งขึ้นเขาไม่เห็นคุณป้าที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยก็เลยถามโบโรกเกอร์ว่าแกหายไปไหนได้คําตอบว่า คุณป้าเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดคุณป้าเครียดเพราะได้แค่10บล้านบาท10ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นลาบก้อนใหญ่ที่แกน่าจะดีใจที่ได้มาแต่พอคิดว่าฉันน่าจะได้20สล้านแค่นี้แหละแกก็ทุกทันทีคนเราเป็นทุกข์มากเพราะคำว่าน่าจะพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไปซื้อของติดราคา500บาท ต่อได้300บาทกลับไปบ้านด้วยความดีใจแต่พอพบว่าเพื่อนซื้อของชิ้นเดียวกันในราคา200บาทรู้สึกอย่างไรเสียใจใช่ไหมนักช้อปปิ้งจะเป็นทุกข์เพราะเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำเพราะชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคิดว่าฉันน่าจะซื้อได้ถูกกว่านี้นี่เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันและไม่รู้จักชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ เวลาเราป่วยไข้ยอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเพราะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราจะไม่พอใจสิ่งที่เรามีอย่างโอโตโทาเกะแม้ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เนื่องจากเขาพอใจสิ่งที่เขามีเขาเลยไม่ทุกข์แต่ถ้าเขาถูกสอนมาให้เปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยการอยู่อย่างมีความสุขเกิดจากการที่เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันเป็น การรู้จักอยู่กับปัจจุบันรวมไปถึงการไม่อะไรอดีตหรือกังวลกับอนาคตไม่ไปเปรียบเทียบกับใครมากมองแง่บวกอยู่ยังมีความสุขยังต้องอาศัยการมองในแง่บวกด้วยเพราะว่าคนเรามีแนวโน้มมองอะไรในแง่ลบหรือไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นลบเรามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บ ใจก็จะไปจดจ่ออยู่กับก้อนมะเร็งไม่สามารถเปิดรับสิ่งดีๆมากมายที่มีอยู่เวลาของหายก็เช่นกันทั้งๆ ท, ที่เรามีทรัพสมบัติอยู่นับพันชิ้นแต่พอของหายแค่ชิ้นเดียวใจเราก็ไปปักอยู่กับของชิ้นนั้นไม่สนใจของที่มีอยู่อีก999ชิ้นก็เลยเป็นทุกข์นี่ก็เป็นผลจากการมองในแง่ลบ แต่ถ้าเรามองในแง่บวกของหายไปหนึ่งชิ้นก็ไม่ทุกเพราะรู้ว่ายังมีอยู่อีก999ชิ้นครูคนหนึ่งชูกระดาษซึ่งมีกากบาทอยู่ตรงมุมขวาถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างนักเรียนทั้งชั้นตอบว่าเห็นกากบาทครับครูจึงถามต่อว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอหลายคนที่เป็นมะเร็งก็คล้ายกับเด็กนักเรียนในชั้นนี้ ใจปักอยู่ตรงก้อนมะเร็งเห็นแต่แค่นี้แต่เขาไม่ได้มองว่าเขายังมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างในชีวิตบางอย่างคนอื่นก็ไม่มีด้วยซ้าการมองในแง่บวกคือการที่เรามองเห็นสีขาวของกระดาษด้วยถ้าเราเห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วไม่เห็นสิ่งอื่นใดในชีวิตก็แสดงว่าเราไม่เห็นสีขาวของกระดาษเราเห็นแต่กากระบาท อย่าลืมว่าเรายังมีพ่อแม่ลูกหลานยังมีสุขภาพดีเดินเหินไปมาได้ถ้าเห็นตรงนี้เรียกว่ามองแง่บวกคือไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นลบอย่างเดียวถ้ามองแง่บวกเป็นก็จะเห็นต่อไปว่าสิ่งที่เป็นเคราะห์ก็มีข้อดีเหมือนกันมองแง่บวกคือสามารถจะเห็นข้อดีของสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หรือสามารถจะเห็นโชคจากเคราะห์ได้ไม่อย่างนั้นคงไม่มีคนที่พูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งทำไมเขาถึงพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทำให้เขาได้พบสิ่งดีๆในชีวิตหลายอย่างทำให้หันมาสนใจธรรมะทำให้ค้นพบความสุขที่แท้คือความสงบใจหลายคนอาจไม่รู้จักธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็ง มีนักศึกษาคนหนึ่งพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคิเมียได้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขามากมายมะเร็งทำให้เขารู้จักกับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจั ง, จงได้มองเห็นความรักที่บริสุทธิ์แท้จริงจากพ่อแม่มีเวลาอ่านหนังสือและมีเวลาหยุดคิดเขาบอกว่าหากไม่มีโรคมะเร็งเข้ามาในชีวิต เขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยคือตื่นบ่ายสามโมงรอเวลากินเหล้ากับเพื่อนหลับและตื่นขึ้นมาใหม่ใช้ชีวิตอย่างไม่นึกถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างใช้ชีวิตอย่างประมาทและไม่รู้จักระวังการมองแง่บวกจะทำให้เราเห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราล้วนดีทั้งนั้น อย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสามากพอมีคนไปถามเธอตอบว่าเธอโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งที่มดลูกเพราะเคยมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกเจ็บปวดมากเธอรู้สึกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองการมองแง่บวกนี้เป็นวิธีคิดแบบพูดเหมือนกัน พวกเราเคยได้ยินเรื่องพระปุณณะหรือไม่วันหนึ่งพระปุณณะมาทูลลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปันตะพระพุทธเจ้าท้วงว่าเมืองนี้คนดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าถ้าเขาทุบตีท่านจะคิดอย่างไรพระปุญณะตอบว่า เขาตุบต <modulation. S 2> ีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างท่านล่ะท่านจะคิดอย่างไรพระบุญนาตอบว่าเขาเอาหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาตีพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาไม้มาตีท่านจะคิดอย่างไรพระบุญนาตอบว่าถ้าเขาเอาไม้มาตีก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทง พระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าเขาเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายทีนี้พระพุทธเจ้าถามคำสุดท้ายว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะบอกว่าคนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีดหรือไปขอคนอื่นมาฆ่าหากมีคนมาฆ่าฆ่าพระองค์ก็ดี ไม่ต้องไปขนขวายหามีดหรือหาคนมาฆ่าตัวเองพระบุญะมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านล้วนดีทั้งนั้นนี่เป็นการมองแง่บวกอะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีหมดเลยอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้การคิดแบบนี้ก็เป็นการคิดแบบฉลาดทำใจพุทธศาสนาเรียกว่าโยโสมณสิการเป็นการมองแบบเพลากุศล อาตมาได้พูดถึงการวางใจตั้งแต่การยอมรับความจริงอยู่อย่างมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมองแง่บวกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าควรจะเตรียมใจด้วยคือการเผชิญความตายอย่างสงบเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัวอาตมาคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย หากมองว่านี่เป็นการทำใจให้เป็นมิตรกับความตายนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่ป่วยและไม่ป่วยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำใจให้เป็นมิตรกับความตายถ้าไม่อยากตายอย่างทุรนทุรายเราไม่ควรรอให้ความตายมาใกล้ตัวแล้วจึงค่อยฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายแม้มันยังอยู่ไกล เราก็ต้องฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายเอาไว้เพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเวลาหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเร็งเราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกพิพากษาประหารชีวิตแล้วที่จริงเราถูกพิพากษาประหารชีวิตมาตั้งแต่เกิดแล้วทันทีที่เราเกิดมาความตายก็รอเราอยู่ข้างหน้าทันที อย่าคิดว่าเราถูกพิภาคษาประหารชีวิตเมื่อหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอกทันทีที่เราเกิดมาเราก็ถูกพิภาคษาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องตายเมื่อไรไม่รู้คนที่มีปัญญาจะไม่มองว่าความตายคือเคราะห์ร้ายแต่จะมองว่าความตายเป็นธรรมชาติธรรมดาขณะเดียวกันก็จะพยายามฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายสาคัญมากนะ เราอย่าไปมองความตายเป็นศัตรูเราต้องมองความตายว่าเป็นมิตรเมื่อความตายกลายเป็นมิตรแล้วเราจะไม่กลัวความตายเราจะเห็นความตายเป็นมิตรหรือเป็นครูที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาททำไมหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาระลึกถึงความตาย เมื่อระลึกถึงความตายก็จะเร่งทำความดีเร่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเร่งสร้างกุศลและชั่วทำดีใครที่ทำอย่างนี้ความตายจะกลายเป็นของดีกระตุ้นให้เราขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทถ้าเราใช้ความตายให้เป็นชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม และเมื่อเราเป็นมิตรกับความตายจนถึงขั้นที่เมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่กลัวเรายอมรับความจริงได้ว่าเรากำลังจะตายกลับมาสู่ข้อแรกเรื่องการยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงว่าความตายกาลังจะเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ดิ้นรนไม่ผลักไสพร้อมอ้าแขนรับความตายเพราะเรารับความตายเป็นมิตรแล้ว เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดใจยอมรับความตายเราก็สามารถตายอย่างสงบได้ความตายจะไม่ทำให้เราทุรนทุรายแต่จะทำอย่างนี้ได้ก็เพราะมีการฝึกอยู่เสมอเราต้องฝึกกันทุกคนแม้ว่ายังไม่เป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจก็ต้องฝึกเพราะเราต้องตายกันทุกคนฝึกอย่างไรฝึกด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอน แต่จะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้อาจตายคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้อย่าประมาทภาสิทธิ์ที่เบศกล่าวไว้ดีมากว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนดังนั้นเราจึงควรเร่งทําความดีสร้างบุญกุศลและฝึกใจให้ปล่อยวางอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักหรือสิ่งที่ไม่รัก เช่นความโกรธเกลียดหรือความรู้สึกผิดก็ต้องปล่อยวางให้เป็นถ้าจะให้ดีควรฝึกจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาโดยเฉพาะการเจริญสติซึ่งก็คือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและวางใจเป็นอุเบกขายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางมีสติรู้กายและใจ อาตมาได้พูดตั้งแต่แรกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันที่ผ่านมาได้พูดถึงการยอมรับความจริงการเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันการรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รวมทั้งเห็นด้านบวกของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการอยู่กับปัจจุบันในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการมีสติรู้กายและใจตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่น ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลุดไปอยู่ในโลกแห่งความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ความรู้สึกเรียกว่ามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราก็จะรู้กายรู้ใจเราจะรู้ทันความคิดถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราจะเห็นความจริงของกายและใจและเมื่อเราเห็นความจริงของกายและใจเราก็จะรู้ว่า กายและใจนั้นไม่ใช่เราถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาป่วยมันเป็นกายที่ป่วยไม่ใช่เราป่วยไม่มีเราผู้ป่วยมีแต่กายเท่านั้นที่ป่วยถ้ามีสติมั่นคงอยู่กับปัจจุบันก็จะมาถึงขั้นที่ว่ากายทุกขแต่ใจไม่ทุกกายเป็นมะเร็งแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งมีมะเร็งอยู่ในกาย แต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งเราจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจรู้ว่ากายและใจไม่ใช่เรากายทุกใจไม่ทุกกายปวดใจไม่ปวดตรงนี้สําคัญมากเวลาเราเผชิญกับทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดในวาระสุดท้ายความเจ็บปวดจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้น ทุกคนเมื่อใกล้าตายก็จะมีทุกขเวทนาบีบคั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันทุกขเวทนาไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดยอมรับมันอย่างที่เป็นไม่ผลักไสใจก็จะนิ่งได้ไม่กระเพื่อมจะมีแต่กายเท่านั้นที่ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ไปด้วยมีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ปวดไปด้วย จะทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนกุลบิดาที่อาตมาเล่าตอนต้นว่ากายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายทําอย่างนั้นได้เพราะมีสติเห็นว่ากายก็อันหนึง่งความเจ็บปวดก็อันหนึง่งใจก็อีกอันหนึง่งสามารถแยกกายและใจออกจากกันกายทุกแต่ใจไม่ทุก์กายปวดแต่ใจไม่ปวด มีแต่กายที่กระสับกระส่ายแต่ใจไม่กระสับกระส่ายและไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราที่กระสับกระส่ายด้วยการเจริญสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคือปล่อยวางได้แม้กระทั่งทุกขเวทนาที่กำลังบีบคั้นอยู่การเจริญสติเป็นกิจวัตรจะทำให้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจ ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เผลอไปในอดีตไม่เผลอไปในอนาคตทำอย่างนี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นมิตรกับความตายและสามารถรเผชิญกับความตายได้อย่างสงบ